และเพิญรู้สึกว่ามีอะไรหลายต่อหลายอย่างอยู่ในดวงตาอันเต็มไปด้วยจิตตานุภาพลึกลับคู่นั้นแต่ก็ไม่อาจแปลความหมายได้ออกสัมผัสได้อย่างเดียวว่ามันไม่ได้มาอย่างศัตรูท่าทีซึ่งมันเข้าหาฝ่ายมนุษย์อย่างช่ช้าสงบราบคาบมีอิทธิพลประหลาดทำให้ทุกคนพากันได้แบบต่จ้องนิ่งกันไปหมดโดยยังไม่อาจตัดสินใจอย่างไรลงไปได้นอกจากคอยคุมเชิงอ่านกริยาอยู่เท่านั้น พ่อผาเถอะนี่ข้าเดาไม่ถูกเลยเองมาดีหรือมาร้ายในที่สุดผานใหญ่ก็ระเบิดโพุ่งออกมาท่ามกลางความอึดอัดอ่านอะไรไม่ถูกจะพูดไพรกอกตาของมันช้าๆไปยังคนอื่นๆที่มุงล้อมอยู่อีกครั้งแล้วค่อยๆกระเถิบขึ้นเข้าไปจนถึงร่างอันไม่ติงกายของชา ย, ยันท่ามกลางความประหลาดใจงงงนันหรือที่จะกล่าวของคณะทั้งหมดมันเข้าไปที่ชา ย, ยันทําไมดารินเต็มไปด้วยความพิศวงระคนตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าว ทั้งหมดก็พากันเคลื่อนตามเข้าไปอย่างรวดเร็วและบัตรนี้ยืนล้อมจ้องมันอยู่เพียง 3-4-9 ี่ มันลงนั่งจอมอีกครั้งตรงบริเวณขาอันเหยียดยาวของอดีตนายทหารปืนใหญ่ข้างที่มีรอยเคี้ยวของตะขาบปรากฏอยู่และบาดนี้เชษฐาเป็นคนตัดขาดกระเก่งด้านนั้นเปิดออกจนเห็นเนื้อและบาดแผลได้ถนะค่อยๆเอื้อมมือข้างหนึ่งไปเกาะวางไว้บนข่าข้างนั้นลักษณะเหมือนลิงนั่งอึดใจต่อมาโดยการเหงื่อหน้าจ้องสบตาทุกคนอยู่มันก็ค่อยๆก้มลงไปใกล้บาดแผลแล้วพินขยับตัวอีกครั้งแต่เชษฐากันไว้โดยเร็วกระซิบละล่ําละรัก ดูมันแล้วพิมดูว่ามันจะทำอะไรเฉยไว้ปฏิกิริยาเช่นนั้นของฝ่ายมนุษย์ที่ห้อมล้อมอยู่ทำให้มันชะ ง, งักนิ่งไปตจดใจใหญ่เหมือนจะรอดูท่าทีพอทุกคนสงบนิ่งนอกจากจ้องดูเฉยจึงค่อยๆก้มลงอีกครั้งจะดปากอันน่าเกลียดหน้ากลัวลงกับปาดแผลตรงรอยเครี้ยวมันดูดแผ้พวกผ่านพื้นเมืออุทานลั่นออกมาในขณะที่ผ่านใหญ่และคณะนายจ้างจ้องตาค้าง ไอ้ผีกองกอยก้มหน้าก้มตาดูดอยู่อึดใจก็ถอนปากออกแล้วพ่นสำรอกของเหลวชนิดหนึ่งลงไปกับพื้นมันเป็นเมือกสีดำคล้ำส่งกลิ่นคืนเขียวมีปริมาณประมาณถ้วยน้ำชาแล้วก็ก้มลงดูดอีกแต่ละครั้งที่ปากของมันจะหดแผ้เป็นเวลาอึดใจใหญ่ๆนั้น ก็พ่นของเหลวชนิดนั้นออกมาในอาการเดิมติดต่อกันหลายๆครั้งทุกคนใจเต้นแรงสีหน้าอันงงงนันพิศวง์เปลี่ยนมาเป็นความตื่นเต้นปิติยินดีในทันทีนั้นเพราะจากสิ่งที่เห็นอยู่นี้ทําให้พอจะเข้าใจได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรบรรดุษพิ่ตะขาบให้ชายยันมันกําลังช่วยเขาโอ้เป็นไปได้หรือนี่ดารินสํารักออกมาซุ้มเสียงสั่นไปหมดหน้าอันซีเถิดเริ่มแดงเรื้อึ้นมาเรียยกมือขึ้นกำประสานกันแน่นบนอกอย่างลืมตัวตาเบิกกว้าง แทบถลนเชษฐานั้นจับแขนพานใหญ่อย่างบีบแรงแล้พินนี่เราไม่ได้ฝันไปนะหัวหน้าคณะกระซิบจอมพานแยกเขี้ยวหี่ตาลงเขาเองก็พบกับความมหัศจรรย์ใจไม่น้อยไปกว่าทุกคนเลือดฉีดแรงไปตลอดทั้งกายค่อยๆสุดตัวลงนั่งจ้องมองดูอาการของเจ้าผีกองก่อยซึ่งบบดนี้มันก้มหน้าก้มตาดูแผลของช ย, ยันห่างกันเพียงสอบเดียวกับเขาอีกหลายคนเลยสุดตัวนั่งลงล้อมดูด้วย ช่วครู่เดียวบริเวณพื้นข้างกายของคนเจ็บก็นองไปด้วยเลือดพิษที่มันดูดแล้วพ่นทายออกสิ่งที่พอจะมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับความหวังอันเริ่มมีมาไรๆนั่นก็คือร่างกายอันเขียวคขมเป็นสีม่วงของชายยันเริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นสีซีดเผือกขาวๆ ข, ข, ขึ้นคู่ใหญ่ต่อมาเจ้าสัตว์ประหลาดก็เคลื่อนไหวตัวถอยห่างออกจากร่างของคนเจ็บทรงตัวขึ้นยืนมีอาการเหมือนจะผ่กออกไปจากวงล้อมของมนุษย์ที่นั่งมุงอยู่ทั้งหมดพากันลุกขึ้นยืน รู้สึกว่ามันกำลังจะไปลองหลีกทางให้มันสิครับระพินร้องบอกเร็วปือคณะพักต่างกระจายกันออกจากการล้อมวงปิดเป็นช่องพร้อมกับจ้องอากับปฏิกิริยาของมันอยู่เช่นนั้นจะพูดภัยเคลื่อนช้าๆด้วยอาการรีรีรอร์ปลายหน้าออกจากบริเวณตรงไปยังชายป่าด้านที่มันโผล่เข้ามาตั้งแต่แรกแต่แล้วเมื่อถึงกองไฟกองสุดท้ายชิดกับแนวป่านั่นเองมันก็หยุดหันกลับมา และด้วยอาการอันไม่ผิดอะไรกับคนเมื่ออันแสนน่าเกลียด น, น่ากลัวนั้นโบกกวักามาที่จอมพานลักษณะนั้นจะให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมันจะเรียกเขาแปลกจริงนั่นดูเหมือนมันจะกวักมือเรียกคุณนะรพินหัวหน้าคณะร้องบอกเขาหน้าตื่นนารพินขยับตัวก้าวล้าหน้าทุกคนออกไปแล้วหยุดจ้องมองมันนิ่งดูท่าทีไอผีกองกอยเคลื่อนถอยหลังไปสองสามก้าวพางกวักมือเรียกให้เห็นอีกครั้งใช่แล้วมันเรียกนาย พวผ่านพื้นเมืองร้องขึ้นผมเห็นจะต้องลองตามมันไปซะแล้วถ้าทางมันพิกลอยู่เขาหันมาบอกกับคณะนายจ้างแลม้มนีเปลิเฟอร์ไว้ในซอแขนอีกมือถึงถือไฟฉายก้าวเท้าเนิบๆตรงไปยังที่มันพอเขาเริ่มเคลื่อนไหวเจ้าผีกองกอยก็ออกเดินทางนําอย่างรีรร อ, รอสองอาการให้เห็นชัดว่ามันรอเขาสั่งปาตามพันใหญ่ไปมาเรียร้องตะโกนบอกคนของหล่อนโดยเร็วเชิดถาก็สั่งให้บุญคําร่วมสมทบไปด้วยอีกคนหนึ่ง ทั้งสองคนสาวเท้าตามหลังจอมผ่านไปในทันทีแล้วก็มารวมกลุ่มกันก่อนที่จะรับออกไปจากแค้มป์รัพินหันมามองคนทั้งสองแต่ก็ไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นฉายไฟจับไปยังร่างของผีกองกอยตัวนั้นเป็นเต้าอยู่ตลอดเวลาทิ้งระยะห่างกันประมาณ19มันเดินนําเขาลัดเลาะซอกซอนไปในพุ่มพงอันรกทึบริมทางด่านเหมือนจะเป็นมักคุเทศหรือเรือนําร่องฉะนั้นพักผาซินายมันจะเอาเราไปไหนนี่บุญคําร้องขึ้นเบาๆไม่รู้เรื่องเหมือนกัน แต่ในภาวะเช่นนี้ไปไหนก็ไปกันสุดแต่มันจะนำถึงอย่างไรมันก็น่าจะเป็นผลประโยชน์แก่พวกเราเขาตอบตาำๆควักบุรีออกมาจุดสูบแล้วบอกให้บุญคำทำหน้าที่สองไฟจับร่างของมันไว้เพื่อกันพัดหายส่วนสางปาก็สอดกายสำรวจภูมิประเทศรอบๆอย่างไม่ประมาทรับปินกระชับไรฟเฟิลพร้พอมอยู่ในมือเตรียมที่จะรับหน้ากับสิ่งอันคาดคิดไม่ถึงได้ทุกขณะ ท่ามกลางราตีอันมืดมิดของดงใหญ่อันเปรียบไม่ผิดอะไรกับมังงุมมั ง, งารากันไปในกลางคุมนรกโดยไม่รู้อนาคตร่างวิกลวิการครึ่งพูดครึ่งสัตว์เท่านั้นคงทำหน้าที่นำทางของมั น, มนไปเป็นปกติเป็นการนำอย่างเจตนาจริงๆเพราะบางครั้งเมื่อภูมิประเทศลึกลับ ซ้อนและลบชัดเกินไปมันก็หยุดรอให้แล้วพินบอกได้เพียงแค่ทิศทางเดินนั้นงมอยู่ในป่าใหญ่ฝั่งซีกซ้ายของทางด่านช้างลักษณะของภูมิประเทศเป็นขอบตีนเขาลูกหนึ่ง ไม่เกิน15้านาทีนับตั้งแต่เริ่มสะกดตามหลังมันมานั่นเองเจ้าผีกองกอยก็นําทั้ง3ามมาหยุดยืนอยู่บริเวณที่โร่องเตียนแคบๆตอนหนึ่งมีต้นไม้ใบหนาขนาดต้นย่อมๆ ย, ยืนตะงานคืงอยู่ตรงที่มันยืนรอยอยู่คนต้นไม้นั้นจนกระทั่งรับพินกับอีกสองพรานตามเข้ามาถึงแล้วแง่หน้าชี้เล็บแผลงงขึ้นไปบนศีรษะไฟฉายทั้งสามกระบอกก็ส่องจ้าขึ้นไปทันทีแล้วทุกคนก็อุทานออกมาพร้อมกันต้นเพก จากแสงไฟทําให้ระพินกับพันพื้นเมืองทั้งสองมองเห็นเม็ดพริกที่ออกตกเต็มต้นลักษณะไม่ผิดอะไรกับต้นพริกยักษ์ที่พบกันมาก่อนแล้วเมื่อกลางวันนี้ผิดกันตรงแต่ว่ามันเป็นคนละต้นกันเท่านั้นนายจิงสั่งปาร้องเอ็ดขึ้นอย่างตื่นเต้นมันพาเรามาที่ต้นพริกที่พ่อเคยบอกสั่งปาไว้เห็นจะใช่แน่แล้วพริกนี้จะต้องแก้พิษตะขาบได้หากไม่ไอผีกองกอยมันคงไม่พาเรามาที่ต้นพริกนี่ แล้วผินกั ด, ดริมฝีปากแน่นซอยเปลือกตาทีเร็วหันไปจ้องดูเจ้าสัตว์ปลาดซึ่งบัดนี้ยืนอยู่ห่างจากเขาเพียง3าก้าพอสบตาเข้ามันก็สยายริมฝีปากเห็นเขี้ยวแหลมชี้มือขึ้นไปบนยอดพริกอีกครั้งบนคำพูดเร็วปือมาอีกคนอย่างดีใจตาเป็นตะกายมันตรงกับที่ไอ้สั่งตาพูดไว้เมื่อหยกๆกไอ้ผีกองกอยนี่มันคงต้องการให้เรามาเก็บพริกไปพอกแผลนายทหารนั่นเองใช่ไหมวา ภูมิปองฟันแหลมประโยคหลังตาพานเท่าหันไปรองถามสัตว์ประลาดเหมือนจะฟังคําพูดของแกได้รู้เรื่องดีที่สุดเจ้าพูดไผ่ยพยักหน้าแล้วทําวุ้ยใบ ด, ด้วยมือทั้งสอง เ, เร่งเร้าให้ขึ้นไปเก็บเอาละเห็นจะได้การแน่สั่งปลา ก, กับบุญคําปีนขึ้นไปไม่ต้องเก็บทีระเคืออยู่ให้เสียเวลาเลือกฟันลงมาทั้งกิ่งเลยเขาออกคําสั่งอย่างไม่วาไวตนงงตาพานเท่ากับเจ้าตองสู่วางปื่นกับไฟฉายลงชวนกันปีนไปขึ้นไปทันทีโดยมีมีด ัติดหลังกันขึ้นไปคนละเล่มล้วผินเปิดไฟฉายตั้งไว้เพื่อช่วยส่องให้เห็นถนัดตนเองยืนคอยอยู่ข้างล่างไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองสองพานก็ปิ่งขึ้นไปคาคบแรกซึ่งไม่สูงนักช่วยกันฟันลิ้กิ่งท่ามกลางความเงียบเสียงมีดกระทบกลิ่เพิกดังก้องแล้วสองสากิ่งขนาดเท่าแขนก็หักคืนลงมาล้วพินวางไรเฟิลลงปูผ้าเขามาราบกับ พนกระโดดเข้าไปรูดเอาเม็ดของมันโกยใส่ลงไปในผ้าเข่าม้าโดยเร็วในขณะที่บุญคําและส่างตาช่วยกันฟันขาดลงมาอีกแต่แล้วทันทีนั้นระหว่างที่พานใหญ่กําลังสาวระว่อยู่การเก็บเม็ดพริกเจ้าผีกองกอยก็กระโดดพรวดพาดเข้ามาแสดงอาการลุกลื้นลุกลนอยู่เบื้องหน้าเขาเหมือนจะพยายามบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เป็นความหวาดหวั่นพรั่นพื้นของมันในขณะนี้โบกไม้โบกมือวุ่นเสียงร้องกอยกอ ย, อยอยู่ทีละรัวระพินชะงัก จ้องมันแต่เขาไม่สามารถจะอ่านสิ่งใดออกทั้งสิ้นจากอาการอันโลดเต้นกระสับกระส่ายร้อนรนนั้นเฮ้ยนั่นเองเป็นอะไรไปเขาร้องทักขึ้นด้วยความประหลาดใจเพิ่งตาเดียวเท่านั้นร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดก็พุ่งวูบผัดจากเขาหายเข้าไปในเงาป่ารวดเร็วไม่ผิดอะไรกับเงาของปีศาจโดยไม่มีโอกาสที่จะให้เขาเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากรหัสอันผิดปกติจากท่าทีของมัน อะไรนะ่ะนายพูดกับใครบุญคํากับส่างปลาหยุดฟันกิ่งพริกร้องถามลงมาเป็นเสียงเดียวเพราได้ยินเสียงอุทานของเขาแล้วเพนก็สั่งขึ้นไปอย่างรีบร้อนเร็วปือ้อพอแล้วรีบลงมาเถอดเร็วที่สุดไอ้ผีกองกอยมันตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งเพนนี้หายเข้าป่าไปแล้วแต่ผ่านเท่ากับเจ้าตองสูรีบพวดพลาดกระโดดตุ๊กลงมาถึงพื้นโดยเร็วผ่านใหญ่ร้องเร่งให้ช่วยกันเก็บรวบรวมเม็ดพริกขณะที่ก้มลงเก็บชุลมุนนั้นทั้งสมก็สะดุ้งขึ้นสุดตัว เสีงยงไรเฟริลลั่นตูมกล้องทำลายความเงียบขึ้นสะเทือนซาบไปทั้งโขดเขาท่ามกลางลาตีอันสงบมันไม่ห่างออกไปไกลนักและไม่มีปัญหา มันดังมาจากด้านที่พักของคณะซึ่งกำลังรอคอยอยู่นั่นเองเกิดอะไรขึ้นที่ที่พักของเราแล้วล่ะนายบุญคาร้องลั่นไม่ทันจะขาดเสียงของแกก็แผดแหลมนหนักโนนถีบขึ้น3นัดซ้อนนั่นเป็นเสียงปืนสั้นแล้วก็ตามมาติดด้วยลูกซองอีกสองนัดดูเหมือนจะมีเสียงเอะอะวยวายดังตามลมแววแวๆแสดงอาการของความตื่นเต้นตรนกชุนลมุน บุญคำกับสางปาเพ่นอย่างลืมตัวขยับจะวิ่งแนบกับไปยังที่พักแต่ละพินกระชากคอเสื้อไว้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะที่ควบคุมได้เหนือกว่าเกิดพิกให้ก่อน เขาตะโกนกรอบหูทั้งสองเสียงเตือนเช่นนั้นเองทําให้สองพันลนลานกวยพริกกอบเสษผ้าขางม้าอย่างไม่ยอมหายใจในขณะที่พานใหญ่กระโดดไปรวบรวมปืนประจำมือและไฟฉายที่เปิดทิ้งไว้เข้ามาแจกสงให้อึดใจเดียวทั้งสองก็ช่วยกันมัดชายผ้าของม้าผูกเป็นปากถุงบรรจุพริกได้หอบใหญ่เบี่ยงขึ้นสะพายหลังและผินก็ฉายไฟส่องหาที่หมายที่เขาทําไว้ขณะที่เดินตามหลังเจ้าผีกองกอยมาคําทางออกเดินอย่างรีบด่วนเพื่อบ่ายหน้ากลับที่พักด้วยใจอันไม่อยู่กับตัว ระหว่างที่หลนลานคำหาทางกันมาต่างก็ได้ยินเสียงปืนจากแคมป์ระดมยิงอย่างเอ็ดอึงถล่มตาไม่เป็นสั่มสายอีกรวมทั้งเสียงไรเฟลิลลูกซองและปืนสั้นสลับไปกับเสียงวยวายที่ลอยมาจางๆสิ่งที่สร้างความกระวนกระวายร้อนใจให้แก่ระพินและอีกสองพันในขณะนี้ก็คือไม่สามารถจะทำลายเหตุการณ์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคณะพัก ขณะเดียวกันก็ต้องเสียเวลาค้นหาทางกลับซึ่งไม่สามารถรุดไปให้เร็วเหมือนใจนึกได้เสียงบุญคำสะบดดาไอผีกองกอยลั่นที่มันลักหนีไปซะก่อนเหมือนจะทิ้งให้คำทางกับเองยังโชคดีอยู่บ้านที่ระหว่างการเดินตามมานั้นละพินทาเครื่องหมายไว้เป็นบางระยะตามนิสัยอันไม่ประมาทของเขาแต่ก็ต้องคากันวุ่นทาให้เสียเวลาไปไม่น้อยเพราะสะภาพป่ารกทึบและเละและเดินมาในเวลากลางคืนอันมืดมิด ทั้งสามวิ่งพรางเดินพรางไปเดียวก็ต้องหยุดสังเกตทางเสีทีปรึกษาเถียงกันมาตลอดบางขณะก็หลงต้องหวนกลับไปคำจุดหมายใหม่จิตใจก็กระสับกระส่ายร้อนเป็นไฟเพราะอารามที่จะรีบกลับไปให้ถึงที่เร็วที่สุดต่างลง้มลุกคุกคลานกิ่งไม้และน้ำเกี่ยวเยินไปหมดระวังนานายไปเดียวหลงผิดทางไปใหญ่เสียงบุญคํำละล่าละลักมาอย่างเป็นห่วงตัวแกเองตามมาเป็นคนสุดท้ายล้าหลังอย่แหกปากเอกอะไปเลยบุญคาคอยตามให้ดีก็แล้วกันระวังหอพริกด้วยอย่าให้หล่นหายเขาตอบก้าวพูด พื่ตลุยพงไปเบื้องหน้าสองไฟกาดแล้วมุดลอดกิ่งไม้ที่ทอดขวางอยู่หักเลี้ยวเข้าด่านเล็กๆฝั่งซ้ายมืออย่างไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งทั้งๆที่อากาศหนาวเย็นจับค่ว้หัวใจแต่บัดนี้ทั้งสามเหงือออกมาท่วมกายเพราะความตื่นเต้นตกใจและการออกกําลังเร่งรุดไปอย่างเต็มที่ไม่นานก็โผล่ออกมาบรรจบ ก, กับด่านช้างสายใหญ่อันเป็นเส้นเดียวกับเส้นที่ยึดเป็นเส้นเดินก่อนที่จะวางแคมป์ขึ้นเพียงแค่ยากจะคาดคะเนได้ว่าด้านไหนเป็นตําแหน่งที่พัก จอมพานฉายไฟตัวไปทั้งสองด้านอีกสองคนก็หัวซุกหัวซุนเข้ามายืนหอกภาคอยู่ข้างเขาตอนที่เราตามมันไปไม่ได้ผ่านตรงนี้เลยนี่นายสั่งปาว่าหน้าตาเลิกลักฉายไฟหมุนตัวไปรอบๆอบนั่นสินายนี่มันด่านใหญ่เราไม่เคยผ่านมาเลยไม่ว่าจะเดินเมื่อตอนกลางวันวันนี้หรือตอนที่เราตามไอ้ผีนั่นไปบุญคําสอดมาโดยเร็วอีกคนจอมพานกัดริมฝีปะกสองไฟขึ้นไปตามยอดไม้อันสูงต่างห่านชงเงื้อมสองฝั่งและไม่ผิดอะไรกับปีศาจยักษ์ที่ยืนอยู่ในความมืด แต่มันก็เป็นเส้นทางใหญ่สายเดียวกับที่เราอาศัยเดินเมื่อเย็นนี้แหละจับเส้นทางสายนี้ไปเราจะพบกับแคมป์ฉันตัดทางออกมาหาจุดหมายด่านใหญ่นี้เองมันจะช่วยให้เราถึงที่เร็วขึ้นแล้วจะเอาอยัางไงนายซ้ายมือหรือขวามือถ้าผิดทิศแล้วก็ไปคนละทางเลยละพินยืนช่างใจเขาเองก็งงไปเหมือนกันมันมีอยู่สองทางเท่านั้นจะขึ้นขวาหรือลงซ้ายแล้วก็จริงอย่างที่บุญคําท้วง ถ้าตัดสินใจผิดแทนที่จะถึงแคมป์ที่พักให้เร็วขึ้นกับจะยิ่งห่างออกไปและในขณะนี้เขาก็ไม่แน่ใจบริเวณที่ตั้งแคมป์อยู่ทางด้านไหน สำคัญที่สุดคือบัดนี้เสียงปืนทางแคมป์เงียบสงบลงแล้วไม่สามารถจะอาศัยฟังเสียงเพื่อชี้ทิศได้บุญคำว่าต้องขึ้นทางขวามือและสั่งปลายแย้งว่าแคมป์ควรจะอยู่ทางซ้ายมือในที่สุดก็ช่วยกันส่องไฟดูลักษณะของภูมิประเทศและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่สองตากทางด่านความมืดในเวลากลางคืนมันเป็นศัตรูสาคัญที่สุดของการตัดสินใจเลือกทางในป่าใหญ่ที่ไม่เคยชินมาก่อน ช่วยกันนึกให้ดีสิด่านบริเวณนี้เราเคยเดินผ่านเมื่อตอนเย็นก่อนตั้งแคมป์หรือเปล่าไม่เคยเลยนายทั้งสองยืนยันมาพร้อมกันเพียงแค่นั้นเองจอมผ่านก็ใช้สามรญวินิจฉัยเข้าตัดสินมันเป็นเส้นทางด่านสายเดียวกับที่เราเดินมาเมื่อเย็นนี้ขณะที่ตั้งแคมป์เราแยกเข้าหา ด้านฝั่งขวาของด่านตอนที่เราเดินตามไอ้ผีกองกอยไปเราก็ปุกอยู่ในโดงของฝั่งเดียวกับที่ตั้งแคมป์ไม่ได้ข้ามด่านใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราโผล่ออกมาพบกับเส้นทางนี้และเป็นบริเวณที่เรายังไม่ได้เดินผ่านมาก่อนเมื่อเย็นก็แปลว่าเราโผล่มาเหนือบริเวณที่ตั้งแคมป์เราต้องเดินลงทางซ้ายมือถูกของสั่งตาแล้วเขาบอกแล้วก็จ้ำออกจากที่โดยมีสองพันกระโจลรล้วติดหลังมาอย่างรีบร้อน หนทางนั้นเป็นยอดเนินซึ่งลาบลงไปสู่มาบทั้งหมดครึ่งวิ่งครึ่งเดินเกาะกลุ่มกันมาเป็นพลวนได้เพียงคู่เดียวยังลงไปไม่ถึงส่วนที่เป็นก้นแอ่งก็ดึงเสียง ปีกกระพือวูบวาบตัดลมดังอื้ออยู่บนหัวพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่โชยลงมาเบื้องบนซึ่งเต็มไปด้วยยอดไม้สูงต่างวิ่งพางหันหน้าหันหลังสำรวจไปพางอย่างคาดคะเน อ, อะไรไม่ถูกราพินไม่ยอมผ่อนฝีเท้าเขารุดลงไปตามเส้นทางนั้นอย่างรวเดเร็วที่สุดพร้อมกับร้องเร่งคนทั้งสองต่อมาก็ได้ยินเสียงยอดไม้ไหวคืนคลืนๆ ร, ราวกับถูกลมพัดกันโชคหรือถูกจับเขยา่าทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ป่าสงัดลม เสียงสันส่นๆของบุญคำกระซิบเรียกนายนายไม่หยุดปากแต่ละพินไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นออกวิ่งสุดฝีเท้าทําให้บุญคำกับสางลาต้องใส่ตีนหมาโกลแนบตามหลังเขาอย่างไม่คิดชีวิตบนหนทางสายเทราดต่ำนั้นอึดใจต่อมานั่นเองระหว่างที่ห่อริ้วหัวปักหัวป่าลงมาก็ปรากฏเสียงลมตีปีปปอารวาสพึบพราวาารากับใครเอาใบาตาลมาโบกลม พุ่งตามลงมาจากเงามืดเบื้องหลังอย่างรวดเร็วก่อนที่รัพินจะร้องบอกเช่นไรกับคนของเขาเงาอันดําสนิทราวกับผีกระหังซึ่งทะยานไล่ลงมาจากที่สูงก็วบเข้าถึงตัวเสียงบุญคํากับสางตาซึ่งกวาดตามมาอยู่เบื้องหลังของเขาร้องอะไรออกมาสุดเสียงไม่เป็นภาษาหล่นกิ้งขมามหน้าพุ่งลงมาชนหลังเขาเหมือนถูกผลักโดยแรงพร้อมกับเสียงปีกตีกระทบดังสนั่น แรงที่คนทั้งสองหัวปักลงมาชนเขาทำให้รัพินเสียหลักขำมลงอีกคนจังหวะที่ศีรษะของเขาปักลงไปตามทางอลาชันนี้เองก็สัมผัสกับลมปีกที่โอบเฉียวด้านก้านคอหลังไปอย่างบุดวิดกิ่นสาบสางชุนกึกแทบสําลักโลกเหมือนจะถล่มพังลงมาทับ แล้วทั้งสามคนก็หกเมรตีลังกาลิ้งถลายเลื่อนละเนรนาฎกันลงมาตามทางลาดนั้นสั่งปา ก, กับบุญคำจะเป็นเช่นไรบ้างไม่ทราบได้แต่ก็กลิ้งนวเนียลงมาพร้อมกับเขาไม่รู้ใครเป็นใครสำหรับตัวเขาเองสำนึกได้ในขณะที่ร่างกายหมุนติ้วไม่รู้เหนือรู้ใต้นั้นว่าไราเฟริลกระเด็นพัดจากมือขวาไปคงเหลือแต่ไฟฉายแปดท่อนที่ยังกาแน่นติดอยู่ในมือซ้าย ส่วนเจ้าสิ่งลึกลับที่พุ่มโฉบเข้าโจมตีนั้นทลาตัดอากาศเสียงดังวาบเลยไปเบื้องหน้าแล้วทะยานขึ้นสู่หลบเนินสูงชันของมอลูกข้างหน้าด้วยอาการรวดเร็วฉับไวราวกับเครื่องบินขับไล่ไอพน่นร่างของจอมพานมาติดคายอยู่ที่แง่ตอนหนึ่งในลักษณะ คูตะแคงเขาพลิกตัวขึ้นมาในทันทีนั้นพร้อมกับไฟฉายที่กดสวิตช์จ้าพวยพุ่งขึ้นไปมันเป็นเวลาเดียวกับเจ้าสิ่งลึกลับซึ่งมาจากอากาศเบื้องบนกำลังถลาล่อนเป็นเงาทะมึนดำอยู่เหนือยอดยางใหญ่อำานาจกระพือลมจากช่วงปีกมหคือมาปานผืนผ้าเต้นสนามทำให้ยอดไม้บริเวณนั้นไหวลู่กระทบกันคลืนครานไปหมดกลาวกับพายุกันโชว และยังไม่ทันที่จะจับไฟได้ถนัดเจ้าสิ่งนั้นก็โฉบทะลาลงมาอีกครั้งเร็วเหมือนลมเพชรถึงตรงดินเข้ามาที่เขาได้อีกสองพานซึ่งกําลังตะเกียบตะกายจะผุดลุกขึ้นด้วยลักษณะไม่ผิดอะไรกับเหยื่ยวร้ายที่แฉลบลงโฉบเหยื่อบนดินลบเร็วแล้วพินตะโกนเสียงหลบบอกคนของเขาซึ่งกําลังตาลีตะเลืออยู่ในขณะนี้ตนเองพลิกสะบัด ต, ตัวสุดแรงเกิดกิ้งเข้าไปหาคนกอไผ่ซึ่งขึ้นอยู่ริมรทางใกล้ๆพลิกความพลิกหงายไปอีกครั้งส่วนบุญคํากับสางปา เาพุ่งหล่าเป็นคนละทางอย่างไม่คิดชีวิตลงไปนอนราบเรียดกับพื้นสุดแต่ว่าใครจะมองเห็นที่กำบางในวินาทีมรณะนี้ มีเสียงดังพืบสนั่นจนแผ่นดินไหวสะเทือนพร้อมกับบ้านฝุ่นและกวดหินก้อนเล็กๆก้อนน้อยปลิวกระจายว่อนเพราะเป็นการตีกระทบจากแรงปลายปีกและตำแหน่งนั้นก็คือที่ซึ่งรรบพินนอนอยู่เมื่อเสี้ยววินาทีนั่นเองก่อนจะพลิกตัวหลบหนีข้งงคาวนายโอ้ยพอแก้วแม่แก้วข้งคาวนั่นคือเสียงม ว, ยวายเอ็ดอึงไม่ได้สับของบุญคาซึ่งเขาไม่มีเวลาสำรวจได้ในขณะนี้ว่าแกอยู่ที่ไหน อราพันม้วนตัวขึ้นมาตั้งหลักอีกครั้งแต่คุ้มมือไปทางเข็มขัดด้านหลังเดชบุญเหลือเกินปืนสั้นขนาดจุดสี่สี่แม็กนัมบางเอินเน็บขัดหลังของเขามาด้วยก่อนที่จะเดินออกจากแคมป์และในขณะ น, นี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้พัดหลุดไปเหมือนไรเฟิลเขาก็หัวใจพองโตขึ้นด้วยความหวังกัดฟันกระชากมันขึ้นมาในพิบตานั้น ไอทูดมรุดยูอันสำแดงตนขึ้นอย่างกระทันหันจมจุที่สุดและที่บุญคำผู้อาจมองเห็นได้ถนัดกว่าเขาร้องบอกมาว่าครั้งข่าวบันนี้บินทยานเป็นพายุบุกแคมร่อนอยู่เหนือยอดไม้สูงฟังเสียงได้ถนัดจากลมปีกของมันและอาการไหวสะเทือนของยอดไม้เขาก็สาดตร์ฮันเตอร์ขึ้นไปเป็นครั้งที่สองแต่ในคราวนี้ไม่ใช่มือเปล่าทว่ามีลำกล้องของจุดสี่สี่แมกนัมจ้องตามลำไฟไปด้วย จากลำแสงของไฟเท่ากับว่าเป็นเป้าหมายของสัญญาณให้มันทลารงใส่เหยื่อที่มันกำลังวนเวียนหาจังหวะอยู่ในขณะนี้ร่างอันใหญ่โตดําสนิทปีกเป็นแผ่นหลังมีเล็บแงมโค้งผ่อออกมาทางด้าน หัวปีเราวกับตะขอสับกระสอบข้าวพุ่งต่ำลงมาจากมุมสูงขณะลงมากับช่องทางด่านที่ลาดเทส่วนลำแสงไฟขนาดแท่อนดวงตาทั้งคู่กระทบกับไฟวูบวาบราวกับเพชรมันตรงเข้าใส่เขาเร็วจนแทบดูไม่ทันท่ามกลางเสียงร้องปากแตกของบุญคำกับเจ้าต่อมสู ระผินเหนียวไกลปืนสั้นในมือกระหน่ำสองนัดติดติดกันออกไปเป็นการยิงด้วยสัญชาตญาณและประสาทสัมผัสโดยไม่มีโอกาสที่จะเลงได้เสียงกระสุนจุดสีสีแมกนัมประทุก กบลมปีกของมันที่โฉบทลาเข้าใส่อย่างดุร้ายในขณะนี้ลงหมดสิ้นพอมันตูมออกไปเขาก็ทิ้งตัวคว่ำหน้ากับพื้นแยกเขี้ยวหลับตาแน่นเมื่อสัมผัสกับปีกอันรุนแรงประหนึ่งใบพัดเฮลิคอปเตอร์เป่าผ่านหัวไปอย่างกระชันชิดแล้วกอภัยเหนือศีรษะที่อาศัยหลบอยู่ก็หักวินาศย่อยยับเสียงครืงโครมสะเทือนโยกไปหมดทั้งกอพร้อมกับเสียงร้องแหลมสำเนียก ป, ประหลาดกล้องสถานดงมันจะเป็นเสียงที่ออกมาจากความเจ็บปวดหรือดูร้ายโกรธแค้นก็สุดจ บอกได้พงไม้ใหญ่น้อยด้านหลังกอไผ่ซุ้มนั้นถูกชนเป็นระยะทางหักสะบ้านไปอีกหลายพุ่งการเสียหลักถลาเข้าชนพงไม้นะ่าจะทายได้ว่ามันคงถูกลูก ป, ปืนเข้าบ้างแต่แทนที่จะได้ยินเสียงมันหล่นลงมากระทบพื้นในลำดับต่อไปกลับได้ยินเสียงลมกระพือปีกถี่เร็วขึ้นสูงเบื้องบนอีกครั้งเสียงหวพบพุ่บนเวียนไปรอบรอ ผ่านใหญ่ตะกายลุกขึ้นวิ่งกระโจนออกมากลางดาง่านกระชับปืนในมือแน่นแทบว่าจะบีด้ามให้แหลกยับไปกับมือสองไฟตามเสียงลักษณะการบินชวัดเฉวียนอย่างธรรมชาติของข้าวคาวธรรมดาอย่างปรับเปลี่ยวว่องไวอยู่เหมือนเดิมความรวดเร็วฉับพันของมันการขึ้นไหวชนิดนั้นทำให้กราดไฟตามไม่ทันนอกจากเห็นได้จากปลายลัศมีของลาไฟฉายที่แผกว้างออกไปเท่านั้น เขายืนหมุนคว้างหันไปรอบๆโดยเร็วตามการบินชวัดเฉวียนเป็นวงกลมของมันแล้วสับไกลออกไปอีกสองนัดอย่างเดือดดาลคับแค้นทุกครั้งที่ปืนลั่นมันจะพลิกตัววุกวาบหลบจากทิศทางบินเดิมทุกทีพร้อมกับเสียงร้องแจ๊กฟังเสียงเย็นไปถึงคั้วหัวใจ บุญคำกับสั่งปาแบบ น, นี้ก็กระโดดโลดเต้นโ h o ร้องทำเสียงอื้ออึงขึ้นเพื่อตะเพิดไล่พร้อมทั้งตะกนบอกอะไรกับเขาเอ็ดฟังต่โรไม่ได้ยินชุลมุลลนโกลาหลไปหมดรูปหนึ่งมันรับมุมยอดไม้หายไปทำท่าเหมือนจะบ่ายนี้แต่อีกรูปหนึ่งก็มาโผล่ร่อนอยู่เหนือหัวให้เห็นท่าทางเหมือนจะพุ่งลงมาอีกครั้งแล้วครั้งเรา และเพียงขบกามแน่นจ้องสวัสดิที่จะยิงให้ถนัดแต่การที่จะยิงเป้าหมายซึ่งบินอยู่บนอากาศอย่างรวดเร็วและในเวลากลางคืนด้วยปืนสั้นเช่นนี้เขาย่อมรู้ว่ามันหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยนอกจากเพียงขู่เตือนให้มันได้รู้ว่าเหยื่อของมันจะมีพิษส่งบ้างเท่านั้นไม่ใช่จะเข้าจู่โจมราวีได้ง่ายๆอึดใจต่อมามันก็ลับหายไปบุญคํากับสางปาวิ่งตาตั้งเข้ามารวมกลุ่มกับเขาเหมือนจะยึดเป็นที่พึ่งไรเฟริลของทั้งสองก็พัดหล่นทิ้งอยู่ที่ไหนไม่ทราบเหมือนกัน แต่และคนมีมีดพลเล่มถือกระชับมือแน่นเป็นสันเป็นเจ้าเข้าเครื่องลางที่จะปกป้องยึดเป็นที่พึ่งได้ในขณะนี้ก็คือเจ้ารูเธอร์ซูเปอร์แบ h ็ w ฮอคุดสี่สีแมกนัมในมือของรับพินเท่านั้นและบัดนี้มันเหลือติดโม่อยู่เพียงสองนัดไม่มีกระสุนอะไรมาด้วยเลยแม้แต่นัดเดียว จอมพันเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าบันบินโฉบล่อให้ยิงจนกระสุนหมดรังเพลิงต่อจากนั้นทั้งเขาบุญคำและสังปาก็คงเปรียบไม่ผิดอะไรกับลูกหนูเล็กๆที่จะต้องหนีหัวซุกหัวซุนหลบ ก, กงเล็บพญาเหี่ยว ตื่นใครมีติดตัวอยู่บ้างเขาร้องเร็วปื้ขณะที่ทั้งสองลั่นลงมาถึงพัดหลุดมือไปตอนที่มันเอาปีกตีครั้แรกนั่นแหละนายกุงตกอยู่มนเนินโน่นทั้งสองแล้ล่ำละลักออกมาเป็นเสียงเดียวชิบหายแล้วว่าไปเดี๋ยวมันโผมาก็ปกลงกันเท่านั้นฉันเหลือลูกปืนอยู่แค่สองนัดเท่านั้นเขาสะบดออกมาลั่นเดี๋ยวบุญคําจะลองไปงมมาให้เองแต่ผ่านเท่าซึ่งก้าหารกว่าสางตาล้องปากลั่นขยับจะไต่เนินขึ้นไปแต่ละพินเหนียวไหลไว้ห้ามโดยเร็ว ไม่ต้องอยู่รวมกันนี่แหละอย่าแยกกันเตรียมตัวไว้ให้ดีถ้ามันโฉบลงมาถึงตัวฟันสวนให้เต็มเหนียวเลยทั้งสองรับคำขยับมีดในมือเตรียมพร้อมทันใดนั้นยอดกลางทางด้านหลังก็ไหวสู้ซ่าโอนเอ็นอยู่ไปมาต่างขันขวับในพิบตาพร้อมอาการสะดุ้งแล้วลำไฟชายของพานใหญ่ก็ส่องขึ้นไปเห็นภาพนั้นชัดถนัดตาเป็นครั้งแรก มันกลางปีกข้อมเกาะ อ, อยู่บนไม้สูงเหนื้อไหล่เขาเหมือนจะพักเพื่อหาจังหวะในลําดับต่อไปขณะที่ไฟศาสตร์ขึ้นไปพบร่างนั้นกําลังคานกระดึบช้าๆด้วยปีกหนังสีดำกรุงกลางไปด้วยขนอุยมองผัดผ่านเหมือนใครเอาผ้าสีดําเก่าๆไปคุมไว้บนยอดไม้นั้นจะผิดกันก็เพียงแต่ว่าผ้าใบมฤตยูนั้นกระดิกไว้ตัวได้เพชรสะท้อนแสงสองดวงสองพวกบ่ามาจากกลุ่มความมืดนั้นดวงตา ก, กําปั่นเร่ววินาทีนั่นเองและผินภัยวันก็นึกสาบแช่งเหตุการณ์ ที่ทำให้ราลเฟอรลุดมือเขาไปซะก่อนหาไม่เช่นนั้นเป้าหมายถนัดชัดเจนที่สุดนี้จะไม่มีวันพลาดไปได้เลยระหว่างที่2คนโบยวายชี้บอกผ่านใหญ่เหยียดแขนที่กำปืนสั้นแบบซิงเกิลแอคชั่นออกไปสุดช่วงกั้นใจลรงอย่างปราณีตที่สุดโดยหมายไปที่ลูกแก้วสะท้อนแสงดวงใหญ่อันแพรว์ๆอยู่นั้น มันทลาวูบขึ้นบินเขาก็แตะกายเปรี้ยงช้าไปชั่วว บ, บตาเดียวเท่านั้นไอ้ค้างขาวผีส่งเสียงล้อมแหลมยาวขึ้นกล้องไปทั้งหุบแล้วผ่าบินอ้อมไปด้านหลังอันธานหายไปในชั่วอิดใจเสียงปีกของมันตัดอากาศห่างออกไปเป็นลำดับในที่สุดก็เงียบหายไปแล้วนายแต่จะไปรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงบุญคากระซิบประประอยู่ในลาคอรีบหาปืนของเราแล้วไปจากที่นี่กันให้เร็วที่สุดเถอะเขาบอก คั้งสขยับตัวจากที่อยู่อย่างแข่งกับเวลาอีกครั้งช่วยกันส่องไฟย้อนขึ้นไปอย่างเนินเบื้องบนเพียงอึดใจเดียวก็พบไเรอร์ทั้ง3ากระ บ, บอกที่หล่นอ ย, อยู่ช่วยขึ้นมาถือไว้ใจเริ่มชื้นและโชคดีที่ว่าหอเพรกที่บุญคํามัดติดหลังไม่ได้แตกกระจายพัดหล่นเสียหายไม่เกิน15นาทีต่อจากนั้นรัถพินกับผ่านพื้นเมืองทั้งสองก็รุดอ้าวกับมาถึงที่พักเมื่อใกล้เข้ามาสังเกตเห็นแสงไฟและได้ยินเสียงพูดกันเอะ อ, อื้ออึงต่างเร่งฝีเท้ากันเต็มที่ ขณะที่โผล่เข้ามาถึงเห็นเชตฐาดารินมาเรียและคณะทั้งหมดกำลังยืนอกกันเป็นกลุ่มทุกคนมีสีหน้าตึงเต้นตกใจปืนและไฟฉายอยู่พร้อมในมือพอเห็นฝ่ายของรับพินปรากฏตัวขึ้นคนเหล่านั้นก็พรู ก, กันออกไปรับโดยเร็วพร้อมกับร้องถามเหตุการณแ์แทบจะฟังไม่ได้สับ แล้วก็เป็นที่ปรากฏออกมาว่าเหตุการณ์ร้ายซึ่งเกิดขึ้นกับฝ่ายของเชิาผู้เฝ้าแคมป์เป็นเหตุการณ์ชนิดเดียวกับระพินและสองพานที่เผชิญกันนั่นเองเรากำลังนั่งจับกลุ่มรอคุณอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปีกบินเข้ามาในอากาศพึุกพับนเวียนอยู่เหนือหัวเชิาเล่าโดยเร็วอาการของหัวหน้าคณะดูจะระงับความตื่นเต้นตกประม า, มาได้ดีกว่าทุกคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ ยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าอะไรเป็นอะไรมันก็บินโฉบลงมาที่ซากของไอ้ตะขาบนั่นทํำท่าเหมือนจะคาบเฉียวไปเกิดถือปืนภาพปักอยู่พอดียิงสกัดออกไปเป็นคนแรกมันเลยผ่าจากซากตะขาบพุ่งเข้าใส่เราเป็นการใหญ่ทั้งกลุ่มแตกกระจายกันไปคนละทางสองทางชุนลมุนไปหมดช่วยกัน น, นัวเนียไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่ถึงอุดใจที่มันบินโฉบอยู่แล้วก็ผัาหนีไปพักใหญ่ต่อมาเราก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านคุณยังร้อนใจเป็นห่วงกันอยู่นี่ คำบอกเล่าของเชษฐาแล้วปินก็ลำดับภาพทั้งหมดได้ในทันทีนั้นปิ่นไอ โฉบกายเข้ามาใกล้ไอ้ค้างคาวผีทำให้เจ้าสัตว์ปลาแสดงความตื่นเต้นกลัวลุนลานมีอาการเหมือนจะพยายามบอกเตือนเช่นไรกับเขาขณะที่กำลังเก็บเม็ดพิกอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้แล้วมันก็เห่นหนีหายไปต่อมาไม่ได้ยินเสียงปืนที่แคมป์ของคณะเชษฐานั่นก็คือการพุ่งเข้ารังควานจู่โจมของสัตว์ครื่งหนูครื่งนกแตใหญ่ผิดปกติตัวนั้นตามที่ได้รับคาบอกเล่า พอมันผ่าจับพวกที่แคมป์เพราถูกซันโบก็บ่ายหน้ากลับไปเล่นงานคณะทั้งสามคนของเขาขณะที่เดินเดินทางกลับแคมป์ที่เกิดขึ้นหยกๆยกนั่นเองบัดนี้เขามองเห็นเหตุการณ์ได้โดยตลอดและพินก็บอกให้ฝ่ายที่อยู่เฝ้าแคมป์ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาบุนคำและสางปาสามคนเผชิญกันมาทุกคนงงงันในปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้างั้นมันต้องตัวเดียวกับที่โฉบลงเล่นงานพวกเราที่แคมนั่นแหละพอพระจากพวกเราทางนี้ไปก็ไปดักคอยเล่นงานคุณหัวหน้าคณะพูดอย่างประหลาดใจครับ ก็แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นตัวเดียวกันตอนที่ได้ยินเสียงปืนทั้งนี้ผมก็ตกใจเดาไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นรีบจ้ำกันมาโดยเร็วเจอมันเข้ากลางทางพอดีเกือบย่แย่ไปทีเดียวตัวใหญ่มากนะเฉพาะลําตัวของมันไม่นับปีขนาดเท่าวัวทั้งตัวทีเดียวมาเรียกล่าวมาเร็วปืน อ, อย่างไม่แน่ใจแววตาสอความตระหนกตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าว ไม่ผิดแน่ผมก็คาดคะเนมันอยู่ในขนาดนั้นแหละเห็นขนัดตอนนั้นมันเกาะอยู่บนยอดอยางครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะหนีไปพวกคุณยินกันไม่ถูกเลยหรือมาเช่ดถามาเรียและดารินมองหน้ากันสีหน้าปั้นยากที่สุดบันบินฉวัตฉวียนเร็วเหลือเกินดารินเป็นคนตอบและนั่นเป็นประโยคแรกของหล่อนขณะที่กลืนน้ำลายลงคอกันแห้งฝืด และพวกเราไม่ทันระวังตัวรู้กันมาก่อนพอพูดพลาดมันก็พุ่ลงมาถึงตัวซะแล้วอาจถูกลูกปลายจากลูกซองของขยินกับจันบ้างเหมือนกันแต่คงไม่ถนัดนักแล้วทําคุณหลักได้ยินเสียงยิงสิ่ห้านัดระพินยกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกบุญคำและล่ำละลักออกมาแทนว่าโทษนายหญิง ผมพันใหญ่กับไอ้สางปลาเกือบตายกันหมดทุกคนมันโฉบเข้าเอาปีกตีเฉียวกลิ้งลงมาตามทางด่านชานเกือตบตกเขาปืนยาวพัดหลุดมือหายหมดโชคดีแท้ๆที่พานใหญ่มีปืนสั้นเหลืออยู่ติดตัวยิงไล่มันไปอย่างนั้นเองอย่างมากก็ถูกแค่ปีกของมันถ้ามันไม่หนีไปซะก่อนเป็นเสร็จเราสามคนเสร็จไม่ใช่มันมาเรียหันไปส่งภาษาซักถามคนของหล่อนซึ่งไอ้นั่นบรรยายเหตุการณ์เร็วหริ้นพันกันไปหมด ข้างขาวผีแน่นายั้างขาวธรรมชาติมันไม่ใหญ่โตถึงขนาดนั้นเสียงของพวกผ่านพื้นเมืองรุมร้องบอกออกมาดังแซดแต่และคนหน้าตาตื่นเลือกรลักไม่มีสีเลือดทุกคนดูเหมือนจะลืมร่างอันนอนสลิดนิ่งของชั ย, ยันไปชั่วขณะเพราะความตื่นตระหนกตกใจที่แทรกซ้อนขึ้นอยากก่างกระจันหันผมเองก็ยิงไม่ถนัดเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วรเกินเชิถาพูดต่ำตำหน้าเครียด